และการตักเตือนกันให้มีความอดทนซึ่งเป็นมูลฐานของความประเสริฐและเป็นรากฐานของศาสนาด้วยเหตุนี้เองที่มัมชาฟีรอฮิมาฮุลลโะได้กล่าวไว้ว่าหากอาลัลลอฮ์ไม่ประทานสิ่งอื่นนอกจากบทนี้ก็เป็นการพอเพียงสำหรับมนุษย์แล้ว ด้วยพระนามของ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยเวลาแท้ จ, จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน ال ات, ق, นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการการะทำความดีทั้งหลายและตักเตือน